4ท่านเหลียวฟานโอวาทข้อที่1การสร้างอนาคตพ่อนั้นกำพระาท่านบิดามาแต่อายุยังไม่ถึง20ท่านย่าของลูกในเวลานั้นก็มีอายุมากแล้วท่านได้บอกให้พ่อ เลิกคิดที่จะเป็นคุณนางเสียหันมาเรียนแพทย์ดีกว่าท่านบอกพ่อว่าการเป็นแพทย์นั้นนอกจากจะยึดเป็นอาชีพได้ดีแล้วยังจะช่วยคนยากคนจนได้อีกด้วยแต่มีความสามารถดีก็จะเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นความปรารถนาของท่านปิดาที่เสียชีวิตไปแล้วต่อมา พ่อพระผู้เฒ่าท่านหนึ่งที่วัดชื่ออินจือ้อท่านมีเครายาวราศีปองสายยิ่งนักรูปร่างท่านสูงใหญ่สง่างามราวกะเทพ ย, ายดาพ่อจึงคารวะท่านด้วยความเคารพท่านพูดกับพ่อว่าเธอน่ะจะได้เป็นคุณนางนะปีหน้าจะสอบผ่านได้ทั้งสามขั้นฉนันไหนจึงไม่เรียนหนังสือแล้ว พอจึงเล่าสาเหตุให้ท่านฟังแล้วก็ถามชื่อแสและที่อยู่ของท่านท่านตอบว่าท่านแสคงเป็นชาวอินนานได้เราเรียนวิชาโหราศาสตร์อันเป็นตำราดั้งเดิมถ่ายทอดกันมาโดยไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมอันใดให้ไข้เผลเลยซึ่งเป็นตำราของท่านบรมโมโหราจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์สง หรือสองปีคริสต์ศักราช960ถึง1127หรือพุทธศักราช1503ถึง1670ท่านผู้เท่าคงต้องการจะถ่ายทอดวิชานี้ให้กับพ่อพ่อจึงพาท่านมาบ้านเพื่อมาพบทัญญาของลูกกันกำชับให้พ่อตอนรับท่านปู้เท่าให้ดีแล้วทดลองให้ท่านปัญญากรดู ก็ปรากฏว่าแม่นยำไปชะทุกสิ่งแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่ผิดพลาดเลยพอจึงเริ่มเรียนหนังสือใหม่ก็ทันลุงของลูกที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อนี่แหละท่านได้แนะนำให้พ่อไปเป็นนักเรียนกินนอนที่สานักเรียนแห่งหนึ่งท่านบูเทาคงได้พยากรพ่อเอาไว้ว่าจะสอบผ่านทั้งสามขั้น ขั้นแรกจะได้คะแนนมาเป็นที่14ขั้นกลางจะได้ที่71และขั้นที่สามจะได้ที่9ปรากฏว่าผลออกมาเช่นนี้จริงๆต่อมาท่านกบฏยากรอน า, นาคตของพ่อเอาไปว่าปีใดจะสอบได้เป็นนักเรียนหลวงได้ข้าวพระราชทานเป็นจำนวนเท่านั้นถังปีใด จะได้สอบกันสุดท้ายปีใดจะได้เป็นในอำเภอเมื่อเป็นในอำเภอแล้วสามปีครึ่งก็ควรลาออกจากราชการเพราะอายุห้าสิบสามปีก็จะสิ้นอายุไขจะนอนตายอย่างสงบในวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนแปดเวลาระหว่างตี 3. หนึ่งถึงตีสามนาเสียดายจะไม่มีบุตรไว้สืบสกุล พ่อได้บันทึกไว้ทุกคำเพื่อกันลืมในการต่อๆมาคาพยากร์ของท่านปู่เท่าคงก็ยังคงแม่นยำอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพยากร์ไว้ว่าจะได้รับพระราชทานข้าวหลวงครบจานวนหนึ่งแล้วจึงจะได้สอบรั้นสุดท้ายเพื่อเตรียมตัวเข้าเมืองหลวงนั้นยังไม่ทันที่พ่อจะได้รับพระราชทานข้าวหลวง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 เขียนทูนกล้าวถาวายความเห็นต่อฮองเต้นั่นเทียวท่านว่าถ้าคนไม่มีความรู้จริงย่อมเขียนไม่ได้เช่นนี้ความสามารถของพ่อย่อมจกเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินฉันไหนจึงจะถูกทำลายอนาคตสเสล่าท่านจึงสั่งให้พ่อนไปทำงานกับท่านได้ให้รับพระราชทานข้าวหลวงย้อนหลังจนครบจำนวนที่ขาดไปปรากฏว่า เท่าจำนวนที่ท่านผูเท่าคงคํานวณเอาไว้พอดีเมื่อเป็นเช่นนี้ยิ่งทําให้พอนะเพิ่มความเชื่อถือในคําพยากรของท่านผูเท่าคงยิ่งขึ้นเพราะอุปสรรคจะเบิ่งผ่านพ้นไปนั้นทําไม่เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าชะตาชีวิตนั้นได้ถูกลิขิตมาแล้วอย่างแน่นอนจะช้าจะเร็วจะมีใครเป็นอุปสรรคอย่างไรก็หนีไม่พ้น พอจึงปล่อยใจให้เป็นไปตามยะถากรรมไม่มีความกระตือรือรน้นไม่ถะเยอทยานขวนขวายไม่ดิ้นรนที่เอาดีไปกว่านี้อีกต่อไปทำให้จิตใจสงบดียิ่งนนะักเมื่อพ่อสอบได้แล้วเช่นนี้ก็ต้องเดินทางเข้าเมืงองหยวงอยู่ในมหาวิทยาลัยของหลวงหนึ่งปีพ่อไม่ได้ดูหนังสือหรือว่าตำราเรียนใดๆอีกเลย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 แต่ก่อนที่พ่อจะเข้าไปยังสถาบันนี้ได้แวะไปที่วัดชีเสียสารเพื่อการะวะท่านอินกุเทระซะก่อนพ่อได้นั่งสมาธิกับท่านสองต่อสองเป็นเวลานานถึงสามวันสามคืนโดยไม่ได้หลับตาเลยพระเทระกล่าวกับพ่อด้วยความแปลกใจว่าอันธรรมดาปุถุชนนั้นจิตใจว้าวุ่นสับสน จึงไม่สามารถบรรลุฌานได้ส่วนพ่อนั้นชไหนนั่งสามวันแล้วยังไม่เห็นจิตใจวอกแวกเลยพ่อจึงเล่าสาเหตุให้ท่านฟังว่าท่านพุทาคงและพยากรอนาคตของพ่อไว้แน่นอนแล้วคิดวุ่นวายไปก็ไร้ประโยชน์จึงทำใจให้สบายไร้กังวลดีกว่าท่านอินกุเทระ โหร้องว่าโธ่เอ้ยนึกว่าเป็นผู้วิเศษแล้วสิอีทติแท้ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่นั่นเองพอจึงกราบถามท่านว่าทำไมจึงว่าพ่อเป็นปุถุชนท่านตอบว่าอันที่จริงคนเรานั้นถ้าจิตใจไม่วาวุ่นทำใจให้สงบได้แล้วก็เกือบจะสาเร็จเป็นพระอารหันต์พ้นจากความเป็นปุถุชนแล้วแต่คนธรรมดานั้น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 จะได้ดีมีสุขอย่างไรแต่พลังแห่งอกุศลกรรมนั้นใหญ่หลวงนักย่อมสามารถเปลี่ยนความสุขเป็นความทุกข์ความมีลาบยศกลายเป็นหมดลาบยศความอายุยืนก็กลายเป็นอายุสั้นได้เช่นกันท่านว่าพ่อนั้นปล่อยชีวิตให้ขึ้นอยู่กับชะตากรรมา20ปีชะไหนจึงไม่ใช่ปุถุชนเรา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 แม้ชะตาจะดีก็กลายเป็นร้ายไปได้ในพุทธธรรมก็ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการลาบยศย่อมได้ลาบยศผู้ใดต้องการบุตริดาย่อมได้บุต ธ, ธิดาผู้ใดต้องการอายุยืนย่อมได้อายุยืนหากประกอบแต่กรรมดีย่อมสมปรารถนาแหลพระผู้มีพระภาคตรัสไวเช่นนี้ขอกษัตริย์ท่านต่อไปว่า นักปราชรถนาแม่งจีได้กล่าวไว้ว่าหากปรารถนาสิ่งไรต้องได้สิ่งนั้นท่านคงหมายถึงสิ่งที่กระทําได้ทางนามธรรมะระรมังคุณธรรมความดีงามนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างได้เองโดยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปสแสวงหาจากที่ไหนแต่ทางรูปธรรมนั้นยศถาบรรดาศักย์ชื่อเสียงและความมั่งคัง่งจะสแสวงหาได้อย่างไร ถ้าไม่มีผู้หยิบยื่นให้ท่านเอ็นกุเทระตอบพรวาวาท่านแมงจื้อกล่าวไว้ไม่ผิดรอกพ่อเองน่ะที่เข้าใจคำสอนของท่านผิดไปท่านหลักเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าความสุขความเจริญทั้งมวลเกิดขึ้นที่ใจก่อนทันสิ้นการสแสวงหาใดๆก็ตามต้องเริ่มต้นที่ใจก่อน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 จึงไม่ทันได้กำนนงถึงศีลธรรมเป็นการสูญเปล่าทั้งสองทางทางธรรมก็เสียหายแล้วทางโลกก็เสียหายอีกการแสวงหาจากภายนอกนั้นจึงไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรท่านถามเพราะว่าท่านผู้เท่าคงพยารณ์ไว้ว่าอย่างไรบ้างพ่อก็เล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดท่านถามเพราะว่าจะลองทายดูเองสิว่า จะสอบได้เป็นคุณนางหรือเปล่าจะมีบุตรได้ไหมพ่อคิดหาเหตุผลอยู่นานโดยสำรวจตนเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจึงตอบท่านว่าเห็นทีจะสอบไม่ได้และก็คงจะไม่มีบุตรอีกด้วยพ่อให้เหตุผลท่านว่าคนที่จะได้เป็นขุนนางจะต้องมีบุญวาสนาส่วนพ่อนั้นบุญวาสนาน้อย ตนเองก็ไม่ได้สั่งสมกุศลกรรมอันใดไว้ให้เป็นพื้นฐานาเสริมสร้างบุญบา ร, รมีใดๆนิสัยของพ่อก็ไม่ดีไม่มีความอดทนงานหนักไม่เอางานเบาไม่สู้ใครทำให้ไปถูกใจกบโกรธไม่ยอมไม่อภยัยใจอคอขับแขกบางครั้งยังอวดดีว่ามีความรู้มากมายยกตนข่มท่านใจคิดอย่างไร ก็จะทำอย่างนั้นคนเช่นพ่อเนี้ยไม่สมควรมาสอบไปเป็นคุนนานกับเขาเลยแล้วพ่อกับสายายท่านฟังถ้าเหตุผลที่คิดว่าตนเองไม่สมควรมีบุตรจริงดังคำพยากรของท่านผู้เท่าคงให้ท่านอินกุเทระฟังต่อไปว่าอันธรมดาิสัยของพ่อนั้นชอบความสะอาดมากเกินไป ไม่เป็นไปตามทางแห่งมัชชิมมาปฏิปทาโบราณท่านว่าไว้อันพื้นดินนั้นยิ่งไม่สะอาดเพียงใดก็ย่อมเจริญด้วยพืชพันรณนานาชนิดน้ำที่ไม่ใสสะอาดมักจะไม่มีปลามาแวกว่ายฉันใดพอนั้นชอบความสะอาดมากเกินไปจึงย่อมไม่มีบุตรฉันนั้นนี่เป็นเหตุผลประการที่หนึ่ง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 เต็มไปด้วยอัศมิมานะการถือเขาถือเราถือดีไม่ยอมลงใครฉนันจักมีบุตรได้ล่ะนี่คือเหตุผลประการที่สามการพูดมากทาให้สูญเสียพลังพอนะอดพูดมากไม่ได้ทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงนี่คือเหตุผลประการที่สี่ อยู่ได้โดยพลังลมปราณและการแสดงออกของจิตคือบ่งทึงความมีชีวิตชีวามีความสมารุณของร่างกายและจิตใจหรือไม่รวมเรียกว่าชีวิตทิศอันเกิดจากธาตุทั้งห้าคือธาตุดินธาตุทองธาตุน้ําธาตุไม้และธาตุไฟธาตุลมนั้นแฝงอยู่ในทุกธาตุมากบ้างน้อยบ้าง ตามเหตุปัจจัยของภาวะแวดล้อมจึงไม่นับเป็นธาตุที่หกร่วมกันทำงานให้ชีวิตดำเนินไปด้วยธาตุเหล่านี้ขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไม่ได้ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและ ก, กันก่อให้เกิดพลังลมปราณและความมีชีวิตชีวาให้แก่มนุษย์คอยประดุงชีวิตไว้ให้ดำรงคงอยู่พ่อน่ยดื่มเล่ามากเผาผลาญร่างกายตนเองอยู่เสมอ ทำให้ปัจจัยทั้งสามนี้ลดน้อยถอยลงจักไม่บุรได้อย่างไรแม้จะมีได้บุรก็จะไม่แข็งแรงและอายุก็คงไม่ยืนนี่ก็คือเหตุผลประการที่ห้าในยามกลางวันคนเราไม่ควรนอนในยามกลางคืนก็ควรนอนพักผ่อนให้สบายแต่พ่อไม่ชอบนอนกลางคืน ชอบนั่งเข้าที่เป็นสมาธิอยู่ตลอดคืนได้เสมอชะไหนจักมีบุตรได้ล่ะนี่เป็นเหตุผลประการที่หกที่ทำให้พ่อคิดว่าชาตินี้พอจะมีบุตรไม่ได้สมจริงดังคำทำนายเป็นแน่แท้และนอกจากนี้แล้วก็ยังมีสิ่งที่พ่อทำผิดๆไว้อีกมากมายแม้จะพูดต่อไปก็คงไม่รู้จักหมดเป็นแน่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 ทำไมตนเองจะแก้ไขไม่ได้เราคนที่ทำบุญให้ทานมากมายนั่นเขากําลังสร้างเหตุปัจจัยเพื่อความเป็นเศรษฐีมีเงินพันช่างร้อยช่างตามความมากน้อยที่เขาทำอยู่บางคนจนถึงขนาดอดตายนั่นก็เพราะเขาสร้างเหตุปัจจัยมาเช่นนั้นมีความตรนีเหนียวแน่นไม่ยอมเกินเลยใคร ทรมานกักขังสัตว์ให้อดอยากและอดตายมาแล้วผลจึงเกิดกับเขาเช่นนั้นหาใช่ฟ้าดินเกิดความลำเอียงใหม่ฟ้าดินก็คือธรรมชาติย่อมปราณีคนดีลงโทษคนชั่วเหมือนดังที่ปราณีต่อพืชพันธุยาหารคอยหลั่งฝนมาให้ความชุ่มชื้นคอยส่องความสว่าง มาให้ความเจริญเติบโตและธรรมชาติก็จะดุดันกับความไร้คุณธรรมคระนำทั้งฝนพายุและสายฟ้ามนุษย์ต้องตายไปท่ามกลางความดุดันของธรรมชาติก็มีไม่น้อยทางนี้ย่อมขึ้นกับความดีความชั่วในตัวบุคคลใครดีก็จะได้รับการส่งเสริมใครเลวก็ลงโทษซะบ้าง เพื่อให้เกิดความสมดุลกันมีความเชื่อกันมาแต่โบราณกาลว่าการจะมีบุตรหรือไม่นั้นก็ขึ้นกับเหตุผลเดียวกันผู้ที่ทำความดีติดต่อกันมาแล้วร้อยชาติก็ย่อมมีบุตรหลานที่ดีสามารถสืบสกุลให้ยืดยาวถึงร้อยชั่วคนผู้ที่ทำามดีมาสิบชาติติดต่ อ, ตอกันก็ย่อมมีบุตรหลานที่ดี สามารถสืบสกุลให้ยืดยาวได้ถึงสิบชั่วคนผู้ที่ทำดีติดต่อกันเพียงสองสมชาติก็ย่อมจะมีบุตรหลานสืบต่อไปสองสามชั่วคนเท่านั้นผู้ที่มีบุตรเลยก็จะเห็นได้ว่าไม่เคยสั่งสมคุณธรรมความดีที่เป็นชิ้นเป็นอันมาบ้างเลยธรรมชาติแห่งการมีบุตรดิดา ถ้ามองตามทัศนะของกฎแห่งกรรมแล้วก็คือการเปิดหน้าบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้ก้นมาสะสางกันอีกวาระหนึ่งบุตริดาบางคนเกิดมาทวงหนี้ก็ทำตัวดื้อรั้นอวดดีก่อความเดือดร้อนวุ่นวายเสียหายจนบิดามารดาไม่มีความสุขตลอดเวลาส่วนบุตริดาที่เกิดมาใช้หนี้บุญคุณ ที่ติดค้างกันอยู่ในพบก่อ น, ก, อนก็มีความกตัญญูกะตะเวทีว่านอนสอนง่ายเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจของบิดามารดานำความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจมาให้บิดามารดามีความสุขและความอิ่มใจอยู่เสมอกุศลกรรมและอกุศลกรรมในอดีตล้วนเป็นเหตุปัจจัย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 เมื่อพอรู้ตัวเองว่าไม่ดีอย่างไรบ้างแล้วเช่นนี้และก็ใจความเป็นไปของฟ้าเด่นเหลาใสก็จงรีบเร่งสั่งสมคุณธรรมความดีงามทันทีไม่ขอจะจับผิดผู้อื่นสามารถให้อภัยได้แม้ความผิดนั้นจะเทียบเท่าภูเขาก็ตามมีขันติอดทนต่อความไม่พอใจไม่โกรธง่ายมิแต่ความเมตตากรุณาไม่พูดมาก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 สร้างชีวิตให้หลุดพ้นจากการครอบงำของกิเลสตัณหาอุปทานขันธ์ห้าสามารถพัฒนาตนเองให้บริสุทธิ์ผุดพองแล้วชีวิตก็จะมีคุณค่าผิดแผกแตกต่างจากชะตาชีวิตที่ได้กำหนดไว้แล้วในคำพยากร์ก็ร่างกายที่กรอบด้วยเลือดเนื้อนี้ยังเป็นไปตามลิขิตของดินฟ้า ทำไมกับชีวิตที่กรอบด้วยคุณธรรมความเรีงามฟ้าดินจะไม่อย่างรู้ได้อโชคชะตาที่ฟ้าดินลิขิตมามนุษย์ยังพอหลีกเลี่ยนได้แต่เคราะห์กรรมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เองก็จะหนีไม่พ้นเลยมีโครงบทหนึ่งได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ต้องคอยสำรวจตนเองเสมอเพื่อจะได้ดำเนินชีวิต ตามคันลองครองธทมเมื่อกระทำแต่ความดีงามแล้วใซ่ชะไหนจักไม่ได้รับความดีอันเป็นผลเล่าความดีความชั่วจึงล้วนแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของมนุษย์เองทั้งสิน้นการที่ท่านผู้เท่าคงพยากรไว้ให้นั้นเป็นเพียงชะตาชีวิตที่ลิขิตจากฟ้าดินย่อมมีทางแก้ไขได้จงรีบสร้าง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 ก็จะแบ่งความดีงามไปเสียมากบุญก็จะน้อยลงเพราะได้ผลในปัจจุบันไปเสียบ้างแล้วแต่ถ้าทำแล้วไม่โอ้วกอวโดในความดีนั้นผลและบุญก็จะเต็มดุจวารีที่เปี่ยมฝั่งใครเล่าจะแย่งบุญของเราไปได้นอกจากเราจะยินดีแบ่งบุญให้เขาเองการทำดีเช่นนี้มีจะไม่ได้เสวยผลแห่งความดีนั้น คำพีโบราณเชื่อว่าอี้จริงประเด็นเน้นถึงความดีความชั่วไว้อย่างละเอียดละอสอนคนดีให้รู้จักลบหลีกจากกรรมชั่วสั่งสมแต่กรรมดีเพื่อจกได้ผลดีตอบแทนหากว่าลิขิตของชะตาชีวิตเป็นสิ่งแน่นอนแล้วใส่จกหลีกเลีย่ยงกรรมชั่วสั่งสมแต่กรรมดีได้อย่างไรในหน้าแรกของคำภีร ก็กล่าวไว้ว่าครอบครัวใดสังสมแต่ความดีงามไม่เพียงแต่หูหน้าครอบครัวเท่านั้นที่จะได้เสวยผลแห่งความดีนั้นแม้แต่ลูกหลานเลนหลนหลนก็จะพร้อยได้เสวยผลแห่งกรรมดีนั้นด้วยวิเคราะห์ดูให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าชะตาชีวิตไม่สามารถควบคุมมนุษย์ไว้ได้เสมอไปจิตใจมนุษย์ สำคัญกว่าจิตใจที่ดีงามย่อมกระทําแต่สิ่งที่ดีงามและได้รับผลที่ดีงามผู้ที่มีใจซามย่อมกระทําแต่สิ่งที่เลวซามและได้ผลที่ซามท่านถามเพราะว่าเชื่อท่านหรือไม่ละ่ะพ่อนะ่เชื่ออย่างมากเพราะว่าท่านพูดมีเหตุผลพ่อจึงคุกเข่าลงกราบท่านเพื่อแสดงว่า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 ท่านอินกุเทระเห็นพ่อมีความตั้งใจทำความดีทั้งป่านนี้จึงเอาตัวอย่างบัญชีกรรมดีกรรมชั่วมาให้พ่อดูแล้วสอนพ่อให้จดบัญชีประพฤติกรรมของตนเองแต่ละวันอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยไม่ข้าข้างตนเองแต่เป็นกรรมดีก็จดไปข้างหนึ่งถ้าเป็นกรรมชั่วก็จดไปอีกข้างหนึ่ง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 หรือชั่วมากกว่าดีอะไรผิดอะไรถูกจกได้แก้ไขปรับปรุงตนเองไม่ทำความผิดซ้าแล้วซ้าอีกกรรมชั่วเบาๆก็ต้องมาลบกรรมดีออกเสีนหนึ่งครั้งกรรมชั่วหนักๆก็ต้องมาลบความดีออกหลายๆครั้งจนกว่าความดีจะครบสามพันครั้งดังที่ได้อธิษฐานไว้แล้วสอนพ่อโสดมน บริกรรมคาถาเพื่อช่วยให้มีจิตมั่นคงโดยอาศัยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นสรณะเพื่อทำอธิษฐานหนักแน่นสำเร็จผลเร็ววันท่านยังเล่าให้พรฟังต่อไปว่าผู้ที่ชำนาญการวาดหูคำพูดนี้หมายถึงว่าลงเลขกลงยันได้กล่าวไว้ว่าหากมนุษย์ไม่รู้วิธีวาดหูได้ถูกต้องแล้วใส่ จะถูกผีสางเทวดาวระยะเอาได้เพราะฉะนั้นการวาดหูก็ต้องหัดให้เป็นเอาไว้เคล็ดลับของวิชานี้อยู่ที่ต้องทำใจให้เป็นเอกคตาให้ได้เท่านั้นเมื่อเริ่มจับผู้กันก็ต้องหยุดความรู้สึกนึกคิดใดๆ ไ, ไม่วอกแวกทำจิตให้นิ่งรวมพลังจิตทั้งหมดพุ่งตรงไปยังปลายผู้กันแล้วจรด ปลายผู้กันลงไปที่กระดาษผ้าหรือแพรก็ได้ทิ้งน้ําหนักปลายผู้กันให้แน่นนิ่งเป็นการเบริกทวาร้าดินด้วยพลังจิตที่พุ่งกระทบอย่างแหลมคมหูจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็อยู่ที่จุดเริ่มต้นนี้เองเมื่อเริ่มต้นแล้วก็ต้องเขียนให้จบกระบวนการโดยไม่หยุดชะงักไม่ต่อเติม ไม่ยกผู้กันขึ้นต้องวาดในต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกันจิตเป็นเอกกตาตลอดแนวทางที่ผู้กันตรวัดไปมาคู่นี้ก็จะศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะอธิษฐานใดๆต่อฟ้าดินก็จะสำเร็จผลอย่างแน่นอนและรวดเร็วผู้ที่มีกิเลส ท, ทุรีหนานแน่นในใจเหมือนตกอยู่ในความมืด ดัอยู่ในคันมันดาไม่สามารถมองเห็นอะไรอื่นเมื่อจะลดปลายผู้กันลงไปครั้งแรกก็เท่าก็ได้เจาะความมืดให้แสงสว่างส่องเข้าไปได้และเมื่อจวัดผู้กันไปด้วยจิตอันแหลมคมเป็นสมาธิอยู่นั้นก็เป็นการพุ่งพลังจิตไปตามผู้กันนั้นโดยมีแสงสว่างและชาติในผู้กันเป็นสื่อนําพลังจิตไป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 ได้ผสมประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียแล้วจนแยกไม่ออกเมื่อใดเมื่อ น, นั้นการบริกรรมก็ศักดิ์สิทธิ์นักปราดท่านเม่งจือได้กล่าวไว้ว่าอันว่าอายุยืนหรืออายุสั้นหามีความแตกต่างกันไปให้มันฝึกฝนตนเองไปจนกว่าจะถึงวันนั้นวันนั้นคือวันที่เราจะได้พบความจริงว่าใดๆในโลกนี้ หามีความแตกต่างกันไหมล้วนแต่เป็นสภาวธรรมที่มนุษย์สมมติกันขึ้นเท่านั้นผู้ที่ฝึกฝนตนเองจะไม่เห็นความแตกต่างของสภาวธรรมผู้นั้นก็เข้าถึงสภาวธรรมและไม่ถูกความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกหลอนเบียดเบียนหลุดพ้นจากความร้อยรัดของกิเลสตัณหาอุปาทานขันธ์ห้าดหมดสิน้นถ้าคิดโดยผิวเผิน ก็จะรู้สึกแปลกใจเพราะความมีอายุสั้นและอายุยืนนั้นแตกต่างกันอย่างตรงกันข้ามทีเดียวแต่ถ้าคิดให้เล็กซึ่งแล้วก็จะเห็นได้ว่าท่านพูดไว้ไม่ผิดเลยทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นสภาวธรรมหนึ่งหนึ่งเท่านั้นมนุษย์มักจัดเข้าพวกกันบ้างแยกประเภทให้บ้างจนรู้สับสนสลับซับซ้อนไปหมด ธรรมดาธารกที่เกิดมาใหม่ๆนั้นหารู้ไม่ว่าอายุสั้นอายุยืนมีความหมายอย่างไรกันต่อเมื่อเติบโตแล้วจึงสามารถแยกแยะความหมายเลือกคุณค่าของสปปรรพสิ่งโดยคำสอนของผู้ใหญ่บ้างจิตที่ได้รับการอบรมมาจากชาติปางก่อนเป็นเช่นนี้บ้างตอนนี้เองผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วของเด็กนั้น ก็จะเริ่มมาให้ผลจึงได้เห็นความอายุสั้นบ้างอายุยืนบ้างความแตกต่างจึงบังเกิดขึ้นด้วยประการชนีฉะนั้นถ้าเราไม่ความแตกต่างระหว่างความรวยกับความจนความสุขกับความทุกข์ความตกต่ากับความรุ่งเรืองหรือความมีอายุยืนกับอายุสั้นจึงจะสามารถสร้างสรรค์ชีวิต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 วิเศษกว่าผู้อื่นเพราะความรวยกว่าผู้อื่นเราใส้ก็จะเกิดความลำพองถือเงินเป็นอำนาจบาทใหญ่เระร้านข่มเหงผู้อื่นเอาแต่ใจตนเองส่วนลูกคนจนนั้นถ้าคิดว่าตนเองยากจนไม่มีเงินเหมือนลูกคนรวยก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อยากได้อะไรไม่ได้ดังใจความกดดัน ก็จะเป็นแรงขับให้เริ่มชกชิงวิ่งราวลักเล็กขโมยน้อยจนถึงปล้นจี้ข่าเจ้าทรัพย์รุนแรงขึ้นทุกทีแม้จะต้องโทษก็ไม่กลัวหลวงท่านเลี้ยงสบายไปซะอีกถ้าเราแยกแยะความรวยความจนเช่นนี้ก็จะเป็นคนดีไปไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่คิดว่าเรารวยจะทำอะไรก็ระมัดระวัง ไม่กระทบกระเทือนถึงผู้อื่นคิดจะช่วยเหลือเจือจานกันไปทั่วหน้าใช้เงินที่ตัวมีมาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีน้อยอาศัยความรวยที่ตนเองได้ปรีบผู้อื่นโดยสภาวธรรมเมื่อเครื่อกูลผู้อื่นที่มีน้อยถึงกระขาดแคลนตามสภาวธรรมความเมตตากรุณาที่เกิดความรู้จริงในสภาวธรรมนี้ก็จะหล่อหลอม ให้ช่องว่างระหว่างความรวยความจนนั้นปิดสนิทไม่สามารถเกิดความแตกต่างได้เลยส่วนเด็กที่เกิดมายากจนอันเป็นสภาวธรรมอีกอย่างหนึ่งนั้นท า, าให้ความแตกต่างในความรวยความจนแล้วก็จะไม่มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่งใจรู้จักขยันหมั่นเพียรสันโดษในความเป็นอยู่ซื่อตรงในความประพฤต รู้จักใช้แรงกายช่วยเหลือผู้อื่นแทนแรงเงินที่ตนขาดแคลนไม่คอยคิดที่จะให้ผู้อื่นมาช่วยตนแต่ไม่รังเกียจที่จะช่วยผู้อื่นตั้งหน้าทา ม, มาหากินหนักเอาเบาสู้อดออมถนอมตนไม่นานนักคนจนก็จะไม่จนคนรวยก็ไม่จนอยู่แล้วเมื่อถึงวันนั้นความแตกต่างจากมีได้อย่างไร แม้อายุสั้นอายุยาวก็เช่นกันถ้าเราไม่เชื่อว่าชะตาชีวิตได้ลิขิตให้เรามีอายุสั้นเราก็ไม่พะวงถึงความตายตั้งหน้าประกอบกรรมดีไม่ใช่อยู่รอความตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งผู้ที่ไม่เชื่อว่าชะตาชีวิตได้ลิขิตมาให้อายุยืนก็จะไม่ทน o n ตนว่ายังมีชีวิตอยู่อีกยาวนานเกิดความประมาทเกียรตคร้านที่จะประกอบกรรมดี ปลัดวันประกันพรุ่งเด่มสุราหานารีเล่นพาชีกิฬบัดเผาผลาญชีวิตไปทุกวันทุกวันอายุจักยืนนานไปได้อย่างไรความเกิดความตายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์ถ้าเราไม่ให้ความแตกต่างกับสิ่งที่กล่าวมาแล้วไซราจะเกิดในสภาวธรรมใดก็ตามย่อมจักดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยจิตใจ อิปราสจากความกดดันรู้จักดำรงชีวิตดีๆตายดีและไปเกิดในสภาวะธรรมที่ดีต่อไปทำไมเล่าเพราะความชั่วร้ายไม่ได้อยู่ที่ความรวยความจนไม่ได้อยู่ที่ความอายุสั้นหรือยาวความสุขความทุกข์นั้นย่อมขึ้นอยู่ที่เราจะสามารถประกอบคุณงามความดีได้มากน้อยเท่าใดต่างหากเล้า การฝึกฝนตนเองให้รู้จักประกอบกรรมที่ดีนั้นย่อมเป็นการสั่งสมบุญบารมีโดยแท้เราจะต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมของเราเองมีสิ่งใดผิดพลาดก็พยายามแก้ไขเหมือนดังหมอที่พยายามรักษาคนไข้ให้หายจากโรคฉะนั้นการสั่งสมบุญบารมีต้องพยายามอยู่ทุกขณะจิตค่อยทำค่อยไปไม่หวังผลจนเกินกาลัง ไม่ยอนยานจนไม่กล้าวนาเมื่อจิตได้รับการอบรมที่ดีบ่มจนได้ที่แล้วนั่นคือความสาเร็จที่จะได้รับในการประพฤติธปฏิบัติธรรมท่านบอกกับพ่อว่าจิตนั่นเกิดดับอยู่ทุกขณะขอให้มันบริกรรมอย่าได้หยุดหยังจะขาดการสืบต่อเมื่อบริกรรมจนเกิดความชนานาญแล้ว ก็จะกลายเป็นนิสัยไม่ว่าปากจะบริกรรมหรือไม่จิตก็จะทำไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อจิตดิงเป็นเอกคตาแล้วใสา ย, ย่อมรวมมนุ์คถาที่บริกรรมตัวคนบริกรรมและจิตที่บริกรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกออกจากกันเมื่อนั้นการบริกรรม ก็จะประสบความสำเร็จทันทีอธิษฐานไว้เช่นไรก็จะสมปรารถนาเช่นนั้น แต่ก่อนมีชื่อว่าเสียหายในวันนั้นพ่อเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเลียวฝานเพราะพ่อรู้ซึ้งแล้วว่าการสร้างอนาคตนั้นจะต้องเริ่มที่ตนเองไม่ใช่รอคอยโชคชะตามาผลักดันให้เป็นไปตามยะถา ก, กรรมพอจะต้องหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนให้ได้ ไม่ยอมตกอยู่ในอิทธิพลของคำพยากรณ์อิดต่อไปนี่คือความหมายในชื่อใหม่ของพ่อตั้งแต่นั้นมาพ่อสํารวมระวังบทบาทของกายวา จ, าจาใจอยู่ตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ทาไม่ผิดแพกไปกว่าแต่ก่อนมากความมักง่ายตามใจตนเองความไม่สํารวมอินทรีย์ได้ลดน้อยลงมีแต่ความระแวดระวัง ตั้งสติไม่ประมาทดุดดังเตรียมพร้อมตั้งรับพยัญนตรายที่กำลังคืบคลานมาหาพ่อฉะนั้นแม้จะอยู่ในที่มืดหรือในที่ระโหฐานก็ยังเกรงว่าผีสางเทวดาคอยจ้องจับตามองพ่ออยู่ต่อหน้าและรับหลังคนจึงประพฤติตนไม่ต่างกันหากไม่ผู้ใดแสดงความไม่พอใจพ่ออย่างไร ที่ภาควิจารณ์รุนแรงเพียงใดพ่อกลับรับฟังได้โดยดดสนีไม่เคยต่อล้อต่อเถียงกับผู้ใดอีกเลยเมื่อการเวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีพ่อได้โอกาสเข้าทำการสอบลายอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ได้ที่หนึ่งพลิกความคาดหมายของท่านผู้เฒ่าคงที่พยายามไว้ว่าจะสอบได้ที่สามท่านว่า หลังจากสอบครั้งนี้แล้วต่อไปจะสอบไม่ได้อีกแต่เมื่อพ่อไปสอบก็สอบได้อีกเป็นอันว่าคําพยากรณ์ไม่สามารถคุมวิถีชีวิตของพ่อได้อีกต่อไปแต่การทําความดีนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่นึกไว้สํารวจดูแล้วก็พบข้อบอกพร่องมากมายเช่นไม่มีความอาหารพพอที่จะเสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย บางทีจิตใจลังเลไม่สามารถช่วยดีสุดกำลังบางทีก็ช่วยไปบนว่าไปอดติเตียนเสียไม่ได้เวลาปกติก็ยังมีสติควบคุมตนเองได้ดีอยู่บางทีดื่มเหล้าเมามายความประพฤติดั้งเดิมก็กลับมามีบทบาทอีกคะแนนของกรรมดีถูกกรรมชั่วลบไปสัมมา ทำให้ต้องใช้เวลาเกือบสิบเอ็ดปีคือตั้งแต่พ่ออายุยี่สิบปีถึงสามสิบเอ็ดปีปีคริสต์ศักราช1 5 6หหถึง1 5 7หเจหรือพุทธศักราช 2,112 ถึง 2,122 ยจึงสามารถรวบรวมการทำความดีได้ครบสามพันครั้ง บังเอิญขณะนั้นพ่อไปเที่ยวนอกด่านเื้อกับเพื่อนจึงไม่ได้ประกอบพิธีอุทิศบุญกุศลดังที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้จนกระทั่งรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งคือปีคริสตศักราช1 5 8หหรือพุทธศักราช 2,123 ยเมื่อกลับมาทางใต้แล้วจึงไปนิมนต์ท่านซิ่งคงและท่านหุยคง ซึ่งล้วนเป็นพระเถระที่ทงคุณวิเศษมาประกอบพิธีอุทิศกุศลผลบุญที่ได้เพียรทาต่อนเนื่องมาได้รวมสามพันครั้งตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้จะเริ่มตั้งจิตอธิษฐานใหม่ครั้งนี้ขอให้ได้ลูกที่ดีจะทําความดีอีกสามพันครั้งพอรุ่งขึ้นอีกปีในปีคริสต์ศักราชหเอ โดยพุทธศักราชสอง4หนึ่งรยสบสี่พ่อก็ได้เจ้ามาจึงตั้งชื่อให้ว่าเพียนซี่แปลว่าฟ้าประธานเวลาใดที่พ่อไดกระทำความดีทางกายกรรมก็ดีวัตีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีพ่อก็จะใช้ผู้กันบันทึกไว้ทันทีแต่แม่เจ้านะ่ะเขียนหนังสือไม่เป็น เมื่อได้ช่วยพ่อกระทำความดีครั้งใดก็ใช้ก้านขนหารนิ่มชาติกดวงไว้บนปฏิทินบางวันให้ทานคนยากจนหลายครั้งปล่อยสัตว์มีชีวิตมากวันหนึ่งวันหนึ่งแม่จะวงไว้ได้ถึงสิบกว่าวงดดียกันเพียงสองปีกว่าก็ทำได้ครบสามพันครั้งอีกคราวนี้ พ่อนิมนต์พระเถระรูปก่อนมาทาพิธีอุทิศบุญกุศลที่บ้านเราเองและเริ่มอธิษฐานขอให้สอบตำแหน่งจิ้นซื่อดาจะทำความดีให้ครบหนึ่งหมื่นครั้งต่อมาอีกสามปีพ่อก็สอบได้และได้เป็นในอำเภอในปีนั้นเองประมาณปีคริสต์ศักราช1 5 8หปห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 ก็จะบันทึกไว้ในสมุดเล่มนี้อย่างละเอียดเพื่อไ้ตรวจสอบดูว่าจะมีอคติในการชำระความอย่างไรบ้างหรือไม่มีความยุติธรรมเพียงพอไหมให้ความเมตตาปราณีเพียงพอไหมเพื่อจะได้ไปแก้ไขในวันต่อไปพอตกกลางคืนก็ตั้งโต๊ะที่กลางลานบ้านพอแต่งตัวเต็มยศ แสดงความเคารพต่อฟ้าดินและจุดธูปเทียนบูชาฟ้าดินคุกเข่าลงอ่านบันทึกนั้นแล้วเผาถวายฟ้าดินเป็นหนึ่งจุดเก็บเป็นหนึ่งจุดที่พอทำเช่นนี้ก็เพราะพ่อเห็นตัวอย่างอันดีงามนี้มาจากคุณนางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในสมัยราชวงศ์ส่ง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 มีการอาศัยหน้าที่หรืออิทธิพลก่อกรรมทำเข็นกับชาวบ้านหรือคุณนางผู้น้อยแล้วใสยแม้ผู้นั้นจะเป็นคุณนางผู้ใหญ่เป็นที่โปรดปรานของห้องเต้สักพิกไรก็าตามท่านก็ไม่เกรงกลัวเป็นต้องนำหลักฐานทูลกล้าวถวาย ห, ห้องเต้ให้ได้รับโษสานรนุโทษจงได้เมือ่อจสเ้นอายุไขแล้ว จึงได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงส่งได้รับสถาปนาเป็นชิ้นเซนกงหมายถึงพุทิกราบทูนด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ใจพ่ออ่านชีวประวัติอันเกรอเกียิของท่านแล้วประทับใจมากจึงถือเป็นตัวอย่างอันดี ง, งามที่จะต้องปฏิบัติตามให้ได้เพื่อบอรการการชำระความของพ่อไม่ให้ด่างพร้อย เสียความยุติธรรมไปพ่อจึงกระทำเช่นนี้ทุกคืนแม่ของเจ้าแสดงความวิกตกกังวลให้พ่อฟังว่าแต่ก่อนนี้อยู่บ้านเราเองก็ช่วยกันทำบุญทําทานไม่โอกาสประกอบกรรมดีมากไม่กี่ปีก็ได้ครบสามพันครั้งแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ราชการ ไม่มีโอกาสสัมผัสกับคนจนเหมือนแต่ก่อนความดีหนึ่งหมื่นครั้งเมื่อใดจะทําสําเร็จได้แล้วพ่อก็ได้แต่รับฟังในคืนวันนั้นนะจะว่าบังเอิญหรือไม่เนาะพราฝันเห็นเจ้าพระาองค์หนึ่งพอจึงปรับทุกข์กับท่านถึงเรื่องที่แม่จะวิต ก, กังบนท่านบอกกับพ่อว่า พ่อนั้นไม่รู้ตัวเลยพ่อได้ทำความดีครบหนึ่งหมื่นครั้งแล้วเพียงแต่ลดภาษีข้าวให้แก่รัศดรทั้งหมดที่อยู่ในความปกครองของพ่อโดยทั่วนากันการบรรเทาภาระอันหนักของราษดรเป็นกุศลกรรมอันยิ่งใหญ่เพราะทำให้ราษดรเป็นสุขขึ้นพ่อตื่นขึ้นมาก็นึกขึ้นได้ว่า พ่อได้ทำไปเช่นนั้นจริงๆพระสงสารราัษดรที่ต้องเสียภสษีหนักเกินไปทำไมเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งพ่อเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ร่วงรู้ถึงเทวดาฟ้าดินได้แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำเพียงแค่นี้น่ะเหรอก็เป็นความดีได้ทั้งหนึ่งมื่นครั้งบังเอิญท่านฝานอีเถระมาจากพวกเขาอูท่ทายศาล พ่อจึงกราบถามท่านเพื่อให้หายสงสัยท่านตอบว่ากุศลกรรมใดก็าตามถ้าทำด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนเป็นส่วนตัวแล้วใสแม้กระทำครั้งเดียวก็เท่ากับกระทำหมื่นครั้งได้ทีเดียวการที่พอเห็นความทุกยากของรัศดรหาทางแก้ไขพ่อนหนักเป็นเบา ความสุขที่รัศดรทั้งอำเภอได้รับย่อมเป็นกุศลกรรมอันยิ่งใหญ่พ่อจึงเอาเงินเดือนของพ่อเดือนนั้นถาวายแก่ท่านฝันอีเถระเพื่อทำอาหารมังสวิรัตถาวายพระพิสุในวัดของท่านซึ่งมีประมาณหนึ่งหมื่นรูปและอุทิศกุศลกรรมทั้งมวลไปตามที่อธิษฐานเอาไว้ท่านผู้เท่าคง เคยพยากรณ์พ่อไว้ว่าพ่อจะมีอายุได้ห้าสิบสามปีเท่านั้นพ่อก็ไม่ได้อธิษฐานให้ตนเองมีอายุยืนยาวแต่อย่างใดแต่ปีนั้นพ่อก็ไม่เป็นไรอยู่มาจนบัดนี้พ่อมีอายุหกสิบเกปีแล้วโบราณกล่าวไว้ว่าฟ้าดินนั้นสุดที่จะยังรู้ได้จะตาชีวิต จึงเอาแน่ไม่ได้ชีวิตของใครคนนั้นก็ต้องสร้างอนาคตเอาเองใ้คนอื่นสร้างให้หาได้ไหมคําพูดนี้เป็นความจริงที่พ่อพิสูจน์ได้ด้วยตนเองพ่อจึงเชื่อมัน่นด้วยความประจักษ์แจ้งกระจายของพ่อเองว่าความสุขความทุกข์ล้วนจะเกิดจากการกระทําของตนเองทั้งสิ้นทําดีก็ดี ทำชั่วก็ชั่วเป็นคำที่ท่านนักปราชญ์โบราณกล่าวกันต่อๆมาจนถึงบัดนี้แต่ใครยังเชื่อว่าสุขทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วอย่างแน่นอนแก้ไขไม่ได้แล้วไส่แม้ผู้นั้นจะแสนฉล า, าดปราดเปรืองอย่างใดเขาก็ยังเป็นปุถุชนอยู่หาความก้าวหน้าไม่ได้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 ก็อย่ายึดมั่นว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปอาจจะมีสักวันหนึ่งที่ลูกจะต้องตกระกำลำบากระหกระเหินแม้ที่จะค้างกายสักคืนก็าทังยากหากลูกไม่รู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในทางที่ถูกที่ควรทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นยามใดที่มีคนนิยมชมชอบเคารพนกนอบ่อลูก ลูกก็จะต้องทำตนให้เป็นที่น่าเคารพยิ่งยิ่งขึ้นทอมเนื้อทอมตนด้วยความจริงใจไม่ใช่เสแสร้งแกล้งทำปากอย่างใจอย่างอดดีวางอำนาจยามใดที่ลูกได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ัสูงส่งลูกก็จะยึดมั่นในโลกธรรมนั้นว่าจะแน่นอนเสมอไปต้องเตือนสติตนเองอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่ง ยศศักชื่อเสียงเงินทองและความสุขทั้งมวลอาจจะพังพินาศไปในพริบตาเดียวก็ได้ถ้าลูกไม่มันประกอบความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแม่ลูกจะมีความรู้ความสามารถเพียงใดก็จงอย่าทะนงตนว่าใครก็สู้ไม่ได้ลูกจะต้องมันฝึกฝนก็ให้ความรู้แตกฉานยิ่งขึ้นถ้าลูกทำได้เช่นนี้ ลูกก็จะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันสูงส่งและคงความสูงส่งนั้นไว้ได้ไม่มีวันที่จะตกต่ำนอกจากวิบากแห่งกรรมเก่าซึ่งไม่มีใครรู้ว่าในชาติปางก่อนๆ น, นั้นลูกได้เคยทำอกุศลกรรมอะไรไว้บ้างวิบากแห่งกรรมนั้นย่อมให้ผลเมื่อถึงเวลาเสมอแต่ถ้าลูกมีความดีมากจริงๆแล้ว อากุศลกรรมบางอย่างก็จะกลายเป็นอาโหสิกรรมไปคือกรรมตามไม่ทันลูกต้องเคารพ บ, บูชาบรรพชนสันเสริญขณงามความดีของบรรพชนให้แผ่ไพศาลลูกจะต้องปกปิดความปิดพลาดของพ่อแม่ไว้อย่าเป็นที่เสื่อมเสียแต่วงตระกูลได้ชาติบ้านเมือง เป็นสิ่งที่จะต้องเทิดทูนรักษาไว้ด้วยชีวิตต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อองค์ห้องเต้ไม่เสื่อมคลายลูกจะต้องสร้างครอบครัวให้มีความสุขความอบอุ่นใจตลอดจนคนรับใช้ลูกจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ยากไร้ให้ได้ทันท่วงทีลูกจะต้องมีจิตสำรวมระวังอินทรีย์อยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นทางกายวาจาและใจลูกจะต้องสำรวจตรวจข้อบอกพร่องในตัวของลูกเองทุกๆวันอย่าได้ขาดและจะต้องแก้ไขความผิดพลาดให้ทันท่วงตีทุกๆวันเช่นกันวันใดที่ลูกมองไม่เห็นความผิดพลาดของลูกก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมของลูกไม่ได้ก้าวหน้าไปเลย และกําลังถอยหลังแล้วเพราะฉะนั้นลูกจะต้องหาความผิดพลาดของตนเองให้พบและแก้ไขให้เด็ดทันท่วงทีมิฉะนั้นแล้วลูกจะก้าวหน้าต่อไปไม่ได้เป็นการเสียชาติเกิดคำสั่งสอนของท่านอินทร์เถระนั้นช่างลึกล้ําตรงตามสภาวธรรมและเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งจะต้องนำมาครุ่นคิดวิเคาะวิจัยหาเหตุผลเพื่อให้ประจับแจ้งกระใจของลูกเองและยึดอำนาจมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านอย่างเคร่งครัดให้เกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาให้ได้จึงจะไม่เสียแรงที่เกิดมาแล้วชาติหนึ่งไม่ได้ปล่อยเวลาอันมีค่าให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์เลย